จิตใจของเราของท่านชอบความพอดีพอดีเกินพอดีไปก็ทุกข์อย่างที่ประลบหนาวเมื่อกี้นี่แหละอากาศเย็นเกินไปก็ทุกข์อากาศร้อนเกินไปก็ทุกข์ทุกเพราะใจมันยึดไอ้ที่พอดีพอดีนั่นแหละ มันสบายความพอดีของร่างกายมันสบายเวลามีอย่างาอื่นแทรกเข้ามาเช่นอย่างปวดหัวคือร่างกายไม่พอดีแล้วร่างกายปวดปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นคือร่างกายไม่ปกติ มันเกินความพอดีของมันเนี่ยทุกข์จิตใจมันทุกข์เพราะจิตใจมันยึดความพอดีความพอดีความสบายความสบายสบายความพอดีถ้าไม่พอดีแล้วกระทุกเช่นอย่างอากาศเย็นเกินไปมันไม่พอดีกับร่างกายโดยเหตุที่ใจมันยึดกายใจมันกระทุก ด้วยเหตุที่ใจมันยึดกายใจก็ทุกข์บางทีมันร้อนเกินไปความไม่พอดีทำให้ร่างกายร้อนเกินไปด้วยเหตุที่ใจมันยึดกายใจก็ทุกข์นี่คือความไม่พอดีทำให้กายเป็นทุกข์ด้วยด้วยเหตุที่ใจยึดกายใจเป็นทุกข์อีกด้วยได้รับความทุกข์สองชั้น นี่คือความเป็นทุกข์ศาสนาสอนให้เรารู้เหตุของมันสอนให้เราพิจารณาเหตุของมันสอนให้เราพิจารณาเหตุปัจจัยของภาวะแวดล้อมที่ทำให้กายได้รับความทุกข์ทำให้ใจได้รับความทุกข์นี่คือพระพุทธเจ้าท่านย้อนสอนไปให้เราพิจารณาถึงต้นตอของความทุกข์ ความทุกข์นั้นเป็นผลมาจากเหตุเหตุคือสมุทยัยสมุทัยนั้นเป็นเหตุเนี่ยปกติคนในโลกนี่ยเขาสอนกันสอนกันไม่ถึงตัวสมุทัยที่แท้จริงแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณา <c oughs> ถึงสมุทัยที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยถึงนิโรธความดับทุกข์ได้ การพิจารณานะั่นนะคือคือมากคือข้อปฏิบัติพิจารณาถูกก็เลยเป็นเหตุให้สมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเรานั่นนะนะดับไปนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเช่อนอย่างอากาศเย็ยนเกินไปเนี่ยทำให้ร่างกายได้รับความเย็ยนร่างกายก็ปล่อยได้รับความหนาวขึ้นมาสั่นขึ้นมาปล่อยให้ใจได้รับความทุกข์ แต่ถ้าหากเราจะพิจารณาเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ทนให้พิจารณาถึงความเย็นถามว่าอะไรเย็นนะถามว่าอะไรเย็นร่างกายเย็นเพราะอากาศเย็นเกินไปร่างกายไม่พอดีร่างกายก็เป็นความทุกข์ท่านย้อนไปพิจารณาที่ร่างกายว่าร่างกายเย็นเกินไป ถ้าจะถามจริงๆว่าร่างกายทุกไหมร่างกายถ้าจะว่าไปแล้วนี่เป็นรูปธรรมนี่รูปธรรมไม่รู้สึกตัวที่ทุกได้รับทุกเต็มเป้าได้รับทุกที่แท้จริงก็คือใจใจได้รับความทุกเพราะใจเป็นผู้มีความรู้สึกเป็นผู้รับรู้เ <c oughs> ย็นร้อนอ่อนแข็งนี่จิตใจได้รับความทุก จิตใจได้รับอาการเมื่อจิตใจได้รับอาการด้วยเหตุที่ใจยึดกายใจก็ปล่อยได้รับความทุกข์ท่านให้พิจารณาถึงต้นต่อของการยึดเนี่ยตอนนี้มาถึงอุปาทานและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่เรามีความทุกข์กับมันมีความทุกข์กับเรามีความทุกข์กับใจก็เพราะใจไปยึด ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจของเราของท่านของคนของสัตว์เกิดขึ้นจากใจไปยึดที่ท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานคือความยึดยึดมั่นถือมั่นถ้าหากเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่รู้เราไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอะไรคือเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงเพราะไม่เคยย้อนไปดู ไม่ทราบว่าความยึดคืออะไรยึดรู้ที่ว่ามันทุกข์ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่เป็นที่น่าเพลิดเพลินใจคือความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสูงให้เราย้อนไปพิจารณาถึงเหตุต้นต่อที่มันเกิดพิจารณาไปถึงต้นต่อของการยึดอุปาทานคือความยึดท่านให้พิจารณาถึงอุปาทานพิจารณาว่าใจไปยึดยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่เป็นทุกข์ต่างๆทัง้งหลายทั้งปวงเรานั้นใจเลยพลอยทุกข์ไปด้วยความทุกข์อันนี้เป็นความทุกข์ของโลกเป็นความทุกข์ของสัตว์โลกเป็นความทุกข์ของมนุษย์ของสัตว์ของเทวดาที่มีอยู่ประจําโลกนี่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นอะไรพา ย, ยึดแต่ในย้อนก็ไปอ่อะไรพาให้ยึดมันมีสิ่งพา ย, ยึดอยู่ ตันหาพาให้ยึดนะรู้ไหมมันจนมุมไหมมันไม่จนมุมถ้าเราพิจารณาในเงี้ยทำมันไม่จนอะไรพาให้ยึดอะไรพาให้ทุกอุปาทานคือความยึดพาให้เราทุกอะไรพาให้ยึดทนายอนไปอีกตันหาพาให้ยึดคลี่คลายตันหาตันหาคืออะไรตันหาคือความทยานความอยาก เหมมาจากสาเหตุคือความอยากอยากให้ร่างกายพอดีอยากให้จิตใจได้รับจากความพอดีพอดีนะไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นจากอำนาจของความอยากความอยากตัวนี้เป็นตัวตันหาตัวตัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นตัวกิเลสเพราะกิริยาพฤติกรรมของมันเนี่ยส่อให้เราทานู้นให้เราทานี้ให้เรานึกนูนนึกนี้ ให้เรายึดนุ่นยึดนี้เราเกอะนุ่นเกอะนี้เสร็จแล้วดึงความทุกข์เข้ามาทับถมหัวใจทําให้ใจดวงนั้นเนี่ยเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะความทุกข์เพราะความยึดความถือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความยึดความถือมาจากอํานาจของกิเลส ท, ที่มีอยู่ในหัวใจกิเลส ท, ทําไมจึงมีอยู่ในหัวใจกิเลสมีอยู่ในหัวใจเพราะหัวใจของเราของท่าน อุบัติเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับกันปุริชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ทราบแต่ว่าเราโตขึ้นมาเราก็รู้ทั้งสารภาวะรู้สึกว่าเรามีความรู้มีผู้รู้ภาษาสมมุติเราก็เรียกว่าใจใจหรือผู้รู้ภาษาบาลีท่ า, านเข า, า, า, าเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างท่านเรียกว่าใจภาษาไทยท่านเรียกว่าใจจอสระไสใจเป็นคําไทยท่านเรียกว่าใจ ซาบะเลีเรียกว่าจิตอหรือ ม, ะมะโนผู้หูมโนธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นจิตของเราของท่านเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่ อ, อไรยังไงอะไรเราทราบไม่ได้เราทราบได้แต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่บริสุทธิ์มีกิเลส เป็นเหตให้เรานึกให้เราคิดให้เรายึดให้เรายึดมั่นถือมั่นด้วยปาถารติดแน่มาด้วยก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ที่มีสิ่งที่ปนเปื้อนเข้ามาด้วยมีสิ่งที่เคลือบแฝงเข้ามาด้วยไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยทายเดียวนี่แหละคือจิตจิต ที่ไม่บริสุทธิ์คือจิตที่มีกิเลสกิเลสทําให้จิตดวงนั้นไม่บริสุทธิ์กิเลสเป็นาธาตุเคลือบเป็นาธาตุแฝงเข้ามากับจิตดวงนั้นเราทราบไม่ได้ตัณหาก็คือกิเลสนั่นแหละตัณหากเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกับจิตรู้เกิดขึ้นพร้อมกับจิตเห็นจิตรู้ก็รู้ทางตาจิตเห็นก็เห็นทางตา เห็นทางตาก็คือรู้ทางตาเห็นทางหูก็คือได้ยินทางหูเห็นทางจมูกก็คือได้ยินทางจมูกเห็นทางกายก็รู้สัมผัสทางกายเห็นทางใจก็คือน้อมนึกอยู่กับผู้รู้ธรรมะเกิดขึ้นภายในจิตก็รู้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตก็รู้แต่ต้องศึกษาถึงจะแยกแยะออกได้ถ้าไม่ศึกษาแยกแยะออกไม่ได้ มันจะติดมันจะพันกันไปหมดด้วยอำนาจของการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเนี่ยตันหาพาให้เรายึดมั่นถือมั่นชี้ไปที่ตัวตันหาชี้ไปที่ที่ความอยากความอยากของจิตความอยากของกายเราพอจะเราพอจะเห็นได้ง่า ย, ายๆความอยากของกายเช่นอย่างร่างกายกระหายน้าเราก็ว่าร่างกายมันอยากน้าร่างกายหิวข้าวอา ร่างกายร่างกายมันหิวร่างกายมันหิวเราก็ว่าร่างกายมันอยากความอยากของกายเราพอจะเห็นได้ง่ายแต่ความอยากของใจอันเกิดขึ้นจากตัณหานั้นถ้าเราไม่ย้อนมาเราไม่เห็นถ้าเราไม่ย้อนมาดูเราไม่เห็นมันมีสิ่งปกปิดไม่ให้เราย้อนมันมีสิ่งปกปิดไม่ให้เราเห็นก็คือตัวที่มันเพลินไปกับกระแสะของตัณหานั่นแหละที่สันเรียกว่านันทิราคะสหกตา มันเกิดขึ้นพร้อมกันประกอบกันไปด้วยกับความหลงผิดเข้าใจผิดของจิตที่จะเรียกว่าหลงเพลินไปด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานมันหลงเพลินไปด้วยกันไปเลยทำให้เรามองไม่เห็นเข้าใจไม่ได้ว่าอะไรคือความอยากความอยากที่เป็นเรื่องของธรรมความอยากที่เป็นเรื่องของกิเลสความอยากใดก็ตามที่เป็นไปตามระบบระเบียบ เป็นไปตามศีลเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามวินัยเป็นไปตามระบบระเบียบที่เรากะเกนัดแ น, นกันความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นตามกฎตามระเบียบตามปฏิปทาข้อบอกข้อสอนต่างๆแล้วนั้นเป็นธรรมความอยากที่เป็นไปเพื่อปินเปลี่ยวกับศีลกับธรรมความอยากทั้งหมดนี้เป็นความอยากเรื่องอำนาจของตัณหา เรามีความอยากอยากทำดีกับอยากทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่พาให้จิตของเราเนี่ยหลงหลงเพลินไปจนไม่รู้ว่าอะไรคือทำดีสิ่งนี้ดีอย่างไรอะไรคือทำไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีอย่างไร <c oughs> ด้วยอำนาจของความหลงด้วยความเพลินทำให้เราหมดโอกาสที่จะพิจารณาคร่ครวนชี้แจงเพราะฉะนั้นหัวใจของคนที่ ขาดการฝึกฝนอบรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจึงทำจึงมักจะทำอะไรตามความอยากพอมีความอยากก็เรื่องอะไรก็ทาทันทีไม่ว่าจะเป็นอยากราคะโทสะโมหะอะไรเกิดขึ้นภายในใจก็ตามอยากขึ้นมาก็สนองตอบทันทีอยากขึ้นมาก็สนองตอบทัน ท, นน ท, นทีไม่เคยมีโอกาสที่จะย้อนไปพิจารณาถึงสาเหตุต้นตอของมันนี่จึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยหลงติดอยู่กับความทุกข์ ความยากความลําบากที่ท่านเรียกว่าโดยอํานาจของตันหาด้วยอํานาจของอุปาทานอย่างไม่จบไม่สิ้นไม่มีการสิ้นสุดถ้าเราไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมจำรักขัดเกล้าผู้รู้ของเราให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจเพื่อย้อนมาดูตัวเองเพื่อทําลายความลุ่มหลงของตัวเองเพื่อทําลายความมืดบอดของตัวเองทําลายสิ่งที่ปกปิดดวงจิต ด, ดวงใจของเราให้เกิดความเศร้าหมองเอง โอกาสที่เราจะรู้จะเข้าใจจะเข้าใจได้ยากเพราะมันอิ่มมันเต็มมันแปร่ไปด้วยอํานาจของความลุ่มหลงเพลินไปกับความลุ่มหลงไม่รู้ว่าเราหลงไม่รู้ไม่รู้ว่าเราหลงหลงอะไรละ่ะหลงยึดหลงถือด้วยเหตุที่ไม่ได้พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยต้นตอที่แท้จริงของมันนี่คือสาเหตุตน้นตอของความทุกข์ จะเรียกว่าความทุกข์ขั้นมูลฐานขั้นมูลฐานขั้นก้นบึง้งขั้นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องย้อนมาพิจารณาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจเพื่อเป็นการซักเป็นการฟอกเป็นการชะเป็นการล้างสิ่งที่เคลือบแฝงมากับจิตให้ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปสิ่งที่พายจิตใจเราเศร้าหมองให้ค่อยๆหมดไปหมดไป สรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือให้เรามีสติมีสัมพัสัญญะมีปัญญารู้เท่าทันความอยากที่ท่านเรียกว่าตันหานี่แหละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้ความเป็นไปให้รู้เท่าทันตามความอยากคือตันหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราองท่านด้วยเหตุที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินและไม่ได้ฟัง ไม่ได้ย้อนมาพิจารณาเราเลยรู้รู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าก็ไม่ได้กันรู้ไม่ทันก็เลยไม่ได้แก่ในเมื่อไม่ได้กันของใหม่มาทะลักเข้ามาเรื่อยๆของเก่าที่เราควรจะแก้เราก็แก้ไม่ได้ใหม่ก็ไม่กันเก่าก็ไม่แก้ก็ยิ่งเพิ่มพูนทับถมทวีคูณขึ้นเรื่อยอย่างไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้ เพราะฉะนั้นวัตตะสงสารของผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมไม่ได้ปฏิบัติชำระขัดเกล่ความเป็นไปในวัตตะสงสารจึงยืดยาวไปอย่างไม่มีสิ้นสุดยาวยิ่งกว่ายาวยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกคือความยาวของวัตตะสงสารของผู้ไม่รู้สัจธรรมเนี่ย ความไม่รู้สัจธรรมไม่รู้เท่าทันปล่อยของใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆทับถมทับถมเข้าไปของเก่าที่มีอยแล้วก็ไม่ชำระไม่ขัดไม่เก่ามันก็ยิ่งทับถมก็ไปเรื่อยทับถมก็ไปเรื่อยถ้าเราจะเทียบเหมือนกับใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดอสิ่งที่เป็นมลทินก็ร่วงลงสายเรื่อยอันนี้ก็แปดเปื้อนเข้ามาันนี้ก็แปดเปื้อนเข้ามา กระจกที่เคยใสๆนี่มันก็เริ่มดำเข้าดำเข้าดำเข้าดำเข้าดำเข้าจนไม่มีความใสให้ให้เราเห็นเลยความใสนั้นถ้าเราจะเทียบกระจกใสนั้นความใสมันก็ทําให้เรามองเห็นเงาตัวเองใ น, นเมื่อความเงาความเงาในกระจกเง า, น, า, เง า, เานั้นมันถูกบิดใบด้วยมลปิดถูกปกปิดด้วยมลทนด้วยมลทินทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันไม่มีความเงาที่จะสะท้อนออกมา ไม่มีโอกาสที่จะทำให้เราเห็นเงาของตัวเองได้โอกาสที่จิต ด, ดวงนั้นจะตื่นเนื้อตื่นตัวรู้ว่าเจ้าของผิดชอบชั่วดีน่ก็รู้ไม่ได้เหมือนอย่างเราะจะมองเห็นมองให้เห็นหน้าหเห็นตาของเราเราก็มองเห็นไม่ได้เพราะกระจกที่เงาที่ใสนั้นมันถูกมนลทินทั้งหลายปิดบังจนหมดสิน้นไม่มีโอกาสที่จะรู้เกรยรอยู่อย่างมืดมืดทึบๆไม่เห็นอะไร อยู่ประพฤติอยู่อย่างอยู่หมกหมกอยู่ในโลกอยู่อย่างผู้หลงอยู่อย่างด้วยอยู่อย่างลุ่มหลงอยู่ด้วยความลุ่มหลงนี่คือไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ปฏิบัติขัดจําระขัดเกล้าหน้าที่ของเราคือสร้างจิตของเราให้เกิดความรู้ให้เกิดความฉลาดเพื่อจะรู้เท่าทันความอยากคือตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราเราก็ลําดับ เรียงมาตั้งแต่ลำดับเรียงมาตั้งแต่ความพอใจอความไม่พอใจสิ่งพาให้พอใจไม่พอใจสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์จากความพอใจไม่พอใจตัณหา อ, อุปาทานสิ่งที่เป็นเหตุให้อุปาทานก็คือตัณหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากของใจใจมันดิ้นรนมันทะเยอทะยานอยาก อย่างไม่มีจบอย่างไม่มีสิ้นเพราะความรู้ความเห็นของใจนั่นแะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปมันเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกสำเร็จอยู่ที่ผู้รู้สำเร็จที่จิต ด, ดวงรู้ในเมื่อผู้รู้นี่รู้ผิดรู้ถูกถูกผิดผิดคือรู้ทั้งถูกรู้ทั้งผิด รู้ผิดบ้างรู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างรู้ถูกบ้างจิต ด, ดวงนี้ก็เลยเพลินไปกับความรู้ความเห็นนั่นะก็เหมือนอย่างเราไปเที่ยวดูเพลินที่นู่นเพลินที่นี่นั่นน่ะมันเพลินไปอย่างงั้นน่ะเพลินไปตามหน้าของความรู้คือจิตผู้รู้นี่มันไปเห็นแล้วมันรู้มันเพลินเพลินไปกับความรู้สิ่งที่ชอบก็พายยึดสิ่งที่ไม่ชอบมันก็พา้มันผลักผลักก็คือชังนั่นแหละสิ่งไหนที่มันไม่ถูก ตามั น, นมันก็ผลักออกไปก็คือความชังนั่นสิ่งที่ถูกใจมันก็ยึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ถูกไม่ถูกใจมันมันก็ผลักออกไปทั้งดึงเข้ามาทั้งผลักออกไปทั้งยึดเข้ามาทั้งผลักออกไปมันเป็นการไม่ทราบสาเหตุต้นต่อของการยึดเข้ามามันเป็นการไม่ทราบสาเหตุต้นต่อของการผลักออกไป แล้วก็เลยหลองอยู่อย่างนี้แหละหลงยึดเข้ามาหลงผลักออกไปหลงยึดเข้ามาหลมผลักออกไปอยู่อย่างนี้แหละไม่ทราบสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงท่านจึงให้พิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่แท้จริงเห็นความเป็นเป็นเป็นไปเห็นความดิ้นรนของความทยานทะเยอทยานคือความอยากเพราะฉะนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกันกับความสงบภายในหัวใจของเราการที่เราจะน้อมจิตคือผู้รู้ ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองได้นั้นจะต้องอาศัยสมาธิเป็นกําลังอาศัยสมาธิเป็นพลังเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จึงให้พวกเราทำสมาธิและทำวิปัสสนาทำสมาธิก็คือเอาจิตที่ดิ้นรนให้มันอยู่กับที่อ่า อะไรพาให้จิตตัวนี้ดิ้นรนตัณหานั่นแหละพาให้จิตดิ้นรนมันดิ้นรนไปตามอารมณ์ที่เป็นรูปที่เป็นเสียงที่เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสดิ้นรนไปตามสัญญาดิ้นรนไปตามเวทนาดิ้นรนไปตามสังขารดิ้นรนไปตามวิญญาณสรุปลงแล้วก็คือดิ้นรนไปตามขันห้าดิ้นรนไปด้วยอํานาจของความลุ่มหลงจิตตัวนี้มันดิ้นรนไปกับสิ่งตางๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการให้จิตดวงนี้ อยู่กับที่ไม่ดิ้นรนเพื่อสะสมพลังให้กับตัวเองจึงทาให้จิตได้รับความสงบอุบายวิธีที่ท่านสอนให้จิตได้รับความสงบก็คือสมถะเช่อนอย่างท่านสอนให้เราภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทโธกำกับด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนิลงปูมัน่นหลงตาท่านสอนสอนให้ทำใจให้ได้รับความสงบที่ทเรียกว่าสมาธิ จิตไม่สงบเพราะจริงต่างๆเหล่านั้นมันพาจิตดิ้นรนออกไปมันดิ้นรนไปทางทวารตาหูจมูกเลี้ยกายแล้วก็ใจมันดิ้นรนออกไปเราก็หยุดความดิ้นรนของมันก็คือให้มันนึกให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้มันไปติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสไม่ให้มันไปติดสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มันอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้มันนึก อารมณ์อันเดียวให้มันดับริ่อารมณ์อันเดียวพร้อมกับความรู้พ o, プ 40, プ CE, ุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มันนึกให้มันคิดอยู่จะให้มันนึกคิดอยู่กับเรื่องที่เป็นธรรมไม่ใช่ไปนึกคิดสิ่งที่เป็นรูปที่ล่วงไปแล้วหรือสิ่งที่กําลังอยู่เฉพาะหน้าเสียงที่ล่วงไปแล้วหรือเสียงที่กําลังได้ยินอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธ อยู่ไปมากน้อยเท่าไหร่รกีขณะจิตก็ตามจิตดวงนี้ก็จะสมสะสมความสงบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตก็จะเริ่มเชื่องเชื่องกับอารมณ์ที่เราบริกรรมนี่แหละพอเราจับใส่อารมณ์ปั๊บจิตก็จะเริ่มอยู่พุโทโธพุโทโธพุทโธโดยเหตุที่จิตมีแต่ดิ้นรนออกไปนั่นแหะไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสงบจึงไม่ได้รับความสุข ไม่ได้รับความสุขเพราะดิ้นรนจิตไม่สงบเพราะจิตเราทําจิตจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มมีความสุขมีความเออบิ่มมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานเออจิตดวงนั้นก็เริ่มใสที่เรียกว่าผ่องใสผ่องใสจิตเริ่มสงบจิตก็ผ่องใสจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มมีความสุขจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเออบิ่มจิตเริ่มสงบจิตดวงนั้นก็เริ่มสว่าง สว่างในตัวเองจิตเริ่มสว่างเริ่มสดใสเริ่มสว่างเริ่มมีกำลังจิตเริ่มมีกำลังเ mm hmm. นื่องจากจิตได้รับความสงบเป็นการพัฒนาตัวเองทำ mm hmm. ให้จิตได้รับพลังอันนี้มันจะสงบมากก็ตามจะสงบน้อยก็ตามก็จะสะสมตัวเองไปเรื่อยสะสมตัวเองไปเรื่อยทาให้จิตเชื่อมกับอารมณ์ ถ้าเราจะเทียบอีกอันหนึ่งอารมณ์ที่เราบริกรรมเช่นคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นเหมือนอาหารอาหารใจพอเราป้อนเข้าไปมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าพุทโธพุทโธพุทโธมากๆเข้าใจก็เริ่มอิ่มอิ่มตัวนี้ท้าเรียกว่าปีติปีติคือความอิ่มมันอิ่มใจอิ่มใจมาถึงกายอิ่มกายมาถึงใจอิ่มใจมาถึงกายอิ่มกายมาถึงใจลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืม กิเลสที่มันเคยมาชวนแทรกเข้ามาทำตาหูจมูกลิ้นการแจมก็แทรกเข้ามาไม่ได้คือใจสงบกิเลสก็สงบกิเลสสงบใจก็จะเริ่มสงบใจก็จะเริ่มมีกําลังเนี่ยท่านให้เอาใจที่มีกําลังคือจิตสงบใจสง บ, สงบนี่แหละไปพิจารณาความสุขความสงบอันเกิดขึ้นจากจิตมีสมาธิจิตเป็นสมาธินี่เป็นความสุขที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะ ไม่เปื้อนกับอารมณ์ไม่เกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสแต่เกี่ยวกับอาหารที่เราป้อนเข้าไปที่เรียกว่าพุทโธพุทโธคือเราป้อนเข้าไปนี่เป็นอาหารของใจพอป้อนเข้าไปมากๆเข้าเมื่อเรารับทานอาหารป้อนเข้าไปมากๆเข้ารับทานไปมากๆเข้าจะเริ่มอิ่มอิ่มอ่มเรารับทานอาหารให้กายกายก็จะเริ่มอิ่มอิ่มไปเรื่อยอิ่มไปเรื่อยๆอิ่มก็หยุด จิตก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเริ่มอิ่มจิตสงบจิตก็เริ่มอิ่มอิ่มอิมอมก็หยุดคำว่าหยุดก็คือจิตสงบนั่นแหละสงบไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวทิ้งคำบริกรรมทิ้งความดำริคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมีความรู้สึกอยู่เฉพาะกับผู้รู้รู้อยู่กับผู้รู้ของตัวเองจิตสงบมีความสุขมีความสงบเราท่านทําไปแล้ว มันจะเข้าไปถึงภาวะตรงนั้นจะนานก็ตามไม่นานก็ตามนานเป็นครึ่งชั่วโมงนานเป็นหนึ่งชั่วโมงนานเป็นเท่าไหร่ก็ตามคือจิตสงบจิตสงบคือจิตอิ่มจิตไม่ดำริแม้แต่คำว่าพุทธโธก็ไม่ดำริคำว่าพุทธโธก็ไม่ดำริเราทิ้งคำว่าพุทโธหรือมันปล่อยเองโดยอัตโนมัติก็ตามจิตดวงนี้ก็ยังดิ่งอยู่กับ ความสงบอันนี้นี่จะเรียกว่าปล่อยปล่อยคํากํากับปล่อยความกํากับด้วยอารมณ์แล้วจิตนี่ก็จิตนี่ก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นรนไปไหนไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแม้แต่เราพยายามจะตามจับมันแท้เราก็ยังตามจับไม่ทันจับให้มันมาอยู่กันนี้มันก็พลอแป้นจับให้มันอยู่กับนั่นก็พลอมานี่มันไม่เป็นไปตามความผสมของเราในเมื่อเรากํากับอยู่อย่างนี้ จิตก็จะเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบจิตก็มีกําลังท่านเอาให้เอาจิตที่มีกําลังนี่แหละมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาเพื่อหาเหตุหาปัจจัยให้เกิดความรู้ให้เกิดความเท่าทันของตัณหาที่มีอยู่ในหวัวใจที่มันพายึดโน่นยึดนี่ยึดรูปยึดยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณยึดทุกทสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยตัณหามันพายึด พอเราทําความรู้จักทําความเข้าใจแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทมันก็เป็นการสาวหาเหตุหาปัจจัยเนี่ยอุปาทานที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาในเมื่อกิจของเราเริ่มรู้เริ่มเข้าใจมันก็กลายเป็นวิชชาขึ้นมา อวิชชาคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจหรือความมืดมืดมืดทึ บ, ทบ <c oughs> เห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างจากนั้นจิตก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆเริ่มรู้เป็นวิชาขึ้นมารู้อะไรรู้ทันอารมณ์รู้เท่าอารมณ์ก็กันอารมณ์ไม่ไม่ให้มันเข้ามาแล้วก็รู้ทันรู้เท่าเราก็กันมันไว้รู้ทักรู้ทันก็กันมันไว้ รู้เท่าเขาแก้ไขมันแก้ไขกัมพาแก้ไขมันก็คือมาคลี่คลายดูความเป็นไปของมันคลี่คลายดูข้อเท็จจริงของมันแล้วก็ย้อนไปดูของที่เราคลี่คลายฉะนันมาคลีล่คลายกายเนี่ยคลี่คลายมาที่กายพิจารณาคลี่คลายที่กายไล่เข้าไปแหละไล่ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยความสำคัญมั่นหมายของเราด้วยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยคลี่คลาย เราก็เหมาเอาทั้งหมดนะกายนี่แหละเป็นเราใจนี่แหละเป็นเราเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนของเราก็มันเริ่มพลอยยึดไปตั้งแต่กายนี่แหละยึดกายก็คือยึดรูปยึดความดีใจยึดความเสียใจก็คือยึดเวทนายึดสิ่งที่ล่วงไปแล้วรลับตาเห็นรูปนั้นเห็นเห็นรูปนี้ นั่งนึกนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ดีใจเสียใจไปตามเรื่องที่เรานึกก็คือสัญญาที่เรียก ว, ว่ายึดยึดสัญญายึดปรุงนู้นปรุงนี้ยึดสังขารยึดวิญญาณก็คือติดติดติดรูปที่เห็นทางตาคำว่าติดในที่นี้หมายความว่ารูปดีก็ยินยินดีรูปไม่ดีก็ยินร้ายนี่คือเรียกทีาเรีย ว, ว่าติดแทนที่จะรู้เท่าทันตามความเป็นจริง กลเป็นรู้ติดรู้ติดรู้ติดรู้ติดไม่ใช่รู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ก็ปล่อยนี่คือคือภาวะความเป็นไปอของจิตที่ได้ศึกษาฝึกฝนอบรมกับจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมเราก็มาทําความรู้มาทําความเข้าใจเนี่ยไล่มาถึงสิ่งที่ใจมันพา ย, ยึดพาถือพาเกาะพิจารณากายเนี่ยึดพายึงอัยภาพร่างกายอัตาาตัวตนของกายกายนี้เป็นราวึดพายึดพายึดายึดพ ท่านให้พิจารณาถึงเหตุถึงปัจจัยของกายร่างกายของเราของท่านเกิดรูปธรรมของเราเกิดในท้องแม่ใครก็ตามเกิดในท้องแม่ด้วยกันทั้งนั้นแหละรูปธรรมของเราเกิดในท้องแม่เราดูภาวะเกิดในท้องแม่เราเอาเอาอะไรไปเกิดในท้องแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันมีของเราไหมไม่มีไม่มีของเราสักหยดเลยเลือดของเราก็ไม่มีสักหยดอะไรของเราก็ไม่มีสักหยด อาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันตั้งปฏิสนธิในท้องของแมอ่อาศัยกรรมมันพอดีกับจิตดวงนั้นมาปฏิสนธิในรูปธรรมในท้องของแม่ไม่มีอะไรมีแต่ น, น้ํา ม, มาทํามาเกิดไม่มีรูปธรรม ท, ที่ไหนได้แต่ร่างกายนับตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่จนรู้เดียงสาภาวะออกมาพอเรา มีกายทำความรู้ทางกายมีเจียรตจำนงมีจิตมีความชัดเจนว่ารูปธรรมเรามีนามธรรมเรามีเราก็ยึดกายว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเรายึดจนเหนียวแน่นมั่นคงไม่มีอะไรที่จะมาพาให้เราแตกแยกออกจากกันถ้าเราไม่พิจารณาโดยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราพิจารณาว่า อนัตตาอนัตตาอนัตตาโดยรูปธรรมคือกายนี่ก็คืออะไรไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเราดูให้เห็นในท้องแม่ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างอไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างถ้าจะว่าไปแล้วร่างกายของเรามก็เป็นผลิตผลของใจมันเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นมาจากใจอาศัยใจดวงนั้นไปมีกรรมที่ สะสมมาแล้วพอดีกับรูปธรรมอันั้นก็ไปถือปฏิสนธิพอไปถือปฏิสนธิด้วยเหตุของความลุ่มหลงนั่นแหละด้วยอํานาจของกรรมมันให้ไปถือปฏิสนธิพอถือปฏิสนธิออกมาแล้วก็เลยยึดถือใจตรงนี้ก็เลยยึดถือกายเนี่ยยึดถือผิดแล้วไม่ใช่ของเราแต่ยึดถือว่าเป็นของเรายึดจนเหนียวแน่นมั่นคงเป็นเหตุเป็นทุกข์เป็นเหตุเดือดร้อนไปกับกายนีย่คือใจมันหลง ลองพิจารณาในขั้นรูปธรรมยึดเวทนาหลงเวทนายึดสัญญาหลงสัญญาลึดยึดสังขารหลงสังขารยึดวิญญาณหลงวิญญาณเนี่ยคือมันยึดทั้งรูปธรรมยึดทั้งนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมาเรานักศึกษาธรรมะเราก็มาพิจารณาดูส่วนไหนเป็นรูปธรรมอ๋อส่วนนี้เป็นรูปธรรมเหตุปัจจัยของมันก็ ได้มาจากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ธาตุของพ่อมาผสมกับธาตุของแม่กลายเป็นสังขารขึ้นมาสองสิ่งมาผสมกันแลกลายเป็นสังขารขึ้นมาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกะนับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเวลามาผสมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นสังขารคําว่าสังขารแปล ว, ว่าสิ่งปรุงสิ่งประกอบถ้าเป็นสิ่งเดียวท่านสิ่งหนึ่งเดียวไม่เรียกว่า ไม่เรียกว่าสังขารไม่มีสังขารไม่เป็นสังขารสองสิ่งเป็นต้นไปทาเรียกว่าสังขารบรรดาสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่เขาอบัติขึ้นมานั้นประกอบกับสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันทาเรียกว่าสังขารเมื่อประกอบกันแล้วนี่จะไม่มีการอยู่คงที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย เพราะฉะนั้นธาตุของพ่อหรือสังขารของพ่อกับสังขารของแม่ประกอบกันในท้องแม่จึงไม่มีการอยู่คงที่เราเห็นไหมเวลาถือปฏิสนธิแล้วก็จะเจริญขึ้นมาเรื่อยจเจริญขึ้นมาเรื่อยนคนเราแรกเกิดนั้นท่านว่าธาตุพ่อกับธาตุแม่ไปผสมกั น, นด้วยปริมาณที่น้อยจนจนมองไม่เห็นเท่ากับหยดน้ำอยู่ปลายขน อยู่ที่ปลายขนจามรีที่ถูกสลักไปแล้วเ็ดหนเ็ดครั้งเล็กละเอียดขนาดนั้นไปประกอบกันแต่โดยเหตุที่สังขารสองสิ่งไปประกอบกันแล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่ ỏi, อยโตขึ้นมาเรื่ ỏi, อยโตขึ้นมาเรื่อยเป็นน้ําใสๆต่อมาก็เป็นน้ำข้นเป็นน้ําเลือดเป็นน้ําเลือดเหมือนกับน้ําล้างเลือดต่อมาก็เป็นเลือดข้นๆต่อมาก็เป็นก้อนต่อมาก็เป็นเนือ้อโตขึ้นมาเรื่ ỏi, อยโตขึ้นมาเรื่อยตามหลักปฏิสนธิตามหลัก ตามหลักถือกำเนิดปฏิสนธิในท้องแม่ก็โตมาเรื่อยโตมาเรื่อยสิ่งที่ผลักดันให้โตมาเรื่อยเรนั่นแหละท้าเรียกว่าท้าเรียกว่าทุกทุกภาวะที่มันจะอยู่เท่าเดิมของมันมันอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยความเปลี่ยนตัวไปของมันเป็นอนิจจังความที่มันไม่คงที่อยู่นั่นเป็นทุก ข, ขงังทุก ข, ขังยังไงอนิจจังก็อย่างนั้นอนิจจังยังไงทุก ข, ขังกว่านั้น นี่ถ้าเราดูง่ายๆเพื่อเห็นหลักของไตรลักษณ์เห็นอานิจจังเห็นทุกขงงงังทั้งอานิจจังทั้งทุกขังเนี่ยไม่มีใครสามารถบังคับบัญชามันได้ให้อานิจจังมันเป็นนิจจังไม่สามารถบังคับบัญชาได้ให้ทุกขังมันเป็นสุขขงังเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้รูปเหตุที่บังคับบัญชาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัส ว, ว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตอนอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราดูร่างกายของเราบัดเราบังคับบัญชาได้ไหมจริงอยู่เรายืนเราเดินเรานัง่งเรานอนเราลุกเราดื่มเราพูดเราคิดเราอะไรต่ออะไรก็ตามแต่สภาวะธรรมของมันเนี่ยเราบังคับบัญชามันได้ไหมให้มันอยู่เท่าเดิมได้ไหมให้มันมีสุขเท่าเดิมได้ไหมให้มันมีทุกข์เท่าเดิมได้ไหมให้มันอ้วนเท่าเดิมผิวพรรณผ่องเหมือนเดิมเท่าเดิมได้ไหมไม่ได้สักอย่างด้วยเหตุที่เรา คิดให้เป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้สักอย่างนั่นแหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยสรุปยอดแล้วความทุกข์ทั้งหลายเกิดทั้งปวงเกิดขึ้นจากการเรายึดมั่นถือมั่นในอุ ป, ปาทานในขันธ์ทั้ง5ยึดมันในรูปนั่แหละยึดมันในรูปเพราะไม่พิจารณารูปยึดมั่นในนามก็เพราะเราไม่พิจารณานามหน้าที่ของเราเมื่อจิตเราสงบแล้วเราก็มาพิจารณารูปแล้วก็มาพิจารณานามนั่นแหละ พิจารณาสับปลายพิจารณาสัมมาพิจารณาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราเข้าไปรู้เราเข้าไปเข้าใจเหตุปัจจัยของมันแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไม่ไม่ยึดทุกข์อันนี้เป็นอันนี้เห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขทั้งหลายทั้งปวงรู้ว่าเป็นเหตุแล้วก็ปล่อยสุขก็ปล่อยทุกข์ก็ปล่อยถ้ายังยึดสุขอยู่ก็คือยึดทุกข์ เพราะฉะนั้นสุขก็ปล่อยทุกก็ปล่อยถ้าเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันโอกาสที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ปล่อยก็เป็นไปไม่ได้เพียงที่เราเข้ามารู้เข้ามาเห็นกิเลสมันก็ปล่อยไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าคาว่ากิเลสกิเลสก็คือความความไม่ผ่องใสความไม่สว่างสวยความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่เป็นความไม่รู้เท่าทัน ความโง่ภายในใจของเราเองคือใจของเราไม่โง่ใจของเราไม่ฉลาดใจของเราไม่แพรวแพรวแต่ถ้าเราขัดไปขัดไปก็คือขัดใจนั่นแหละขัดใจเหมือนกเราขัดวัตถุนั่นแหละขัดไปขัดไปก็จะเริ่มใสไปใสไปเหมือนเราขัดไปจกที่ว่าถูกมลทิมครอบจนมืดมิดดำหมดเมื่อก็เราไปขัดออกขัดออกขัดออกขัดออกพอเริ่มขัดออกมันก็จะเริ่มใสใส่ใสใสใสจนเห็นเงาของตัวเองคําว่าเห็นเงาตัวเองก็คือ เห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นเหตุแห่งดีเห็นเหตุแห่งชั่วดีก็ปล่อยไม่ดีก็ปล่อยใจนั้นก็ยอมรับเหตุอ๋อสิ่งนี้เป็นไปตามเหตุอย่างนี้ดีก็เป็นไปตามเหตุอย่างนี้ไม่ดีก็เป็นไปตามเหตุอย่างนี้ผู้รู้ดวงนี้ก็อยู่กับภาวะที่รู้แล้วก็ปล่อยอยู่อยู่กับผู้รู้อยู่กับภาวะที่รู้แล้วก็ปล่อย เมื่อเราปล่อยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปาทานมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหาพอเรารู้เท่าทันตัณหาคือความอยากอุปาทานมันก็ถูกปล่อยไปโดยอัตโนมัติอุปาทานอุปาทา น, ปาานเป็นเหตุให้เกิดภพคําว่าภพก็คือที่ที่จิต ด, ดวงนี้มันจะขยับเขยื่อนไปตั้งอยู่อีกในฐานะหนึ่ง นั่นคือฐานะของของพบเมื่อเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมันจิตมันก็ไม่มีฐานะที่จะเข้าไปยึดเข้าไปถือเข้าไปยืนอยู่ได้ไม่มีฐานะที่จะเข้าไปยืนอยู่ได้ที่เรียกว่าพบเมื่อเราไม่มีพบการที่จะเข้าภาวะที่จะเข้าไปเกิดในพบนั้นก็ไม่มีคือในเมื่อมันไม่มีที่เกิดผู้ที่จะเกิดมันก็ไม่ไม่เกิด มันไปจากจิตคือผู้รู้ดวงเดียวนี่เนี่ยเมื่อไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอันนี้เราพิจารณาเราเทียบได้ทั้งรูปธรรมพิจารณาเทียบได้ทั้งนามธรรมานี่คือภาวะความเป็นไปภายในใจของเราที่เราพิจารณาคลี่คลายเพื่อทำลายกองทุกมูลแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในหัวใจของท่านมีอยู่ในหัวใจของเราของท่านของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ พิจารณามาตามหลักตามแนวตามแถวที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอยู่อย่างนี้แล้วทําให้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมฝึกหัดหดั ด, ดแปลงชําระขัดเกลาขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยสังสมไปเรื่อย อยู่ด้วยการสั่งสมยืนด้วยการสั่งสมเดินนั่งนอนด้วยการสั่งสมสั่งสมอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถผลที่เราสั่งสมก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกอิริยาบถเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีจากน้อยแล้วก็ไปหามากแล้วก็จะมีถือเป็นตัวเป็นตนไปถึงความ ไม่มีคือไม่ถือเป็นตัวเป็นตนย่อมมีได้ย่อมเปลี่ยนได้ตามภาวะตามข้อประพฤติตามข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้สังสมอบรมมาแต่เราต้องตั้งอกตั้งใจทาอย่างยิ่งยวดสุดชีวิตจิตใจของเราของท่านเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงว่ามันไม่มีงานใดในโลกที่จะหนักหนักเท่ากับงาน งานมาพิจารณาเพื่อคลี่คลายเพื่อชาระเพื่อขัดเกลาจิตของเราให้รู้ให้เห็นเท่าทันความเป็นไปของความไม่ฉลาดของตัวเองนั่นแหละของจิตของตัวเองที่เรียกว่ากิเลสกิเลสนั่นแหละก็คือภาวะที่มีอยู่ในจิตของตัวเองอตั้งเป็นภาวะตั้งเป็นสภาวะขึ้นมาเพื่อให้เป็นคู่ต่อสู้กันเพื่อเป็นการชาระเป็นการชัเป็นการล้างเป็นการขัดเกล้า รู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วผู้รู้ถอนตัวออกมาถอยออกมาถอยออกมาถอยมาถอยออกมาจนหมดทิ้งจนหมดสิ่งที่เคยยึดเคยถือทิ้งทิ้งจนหมดคือไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีผู้ปรุงเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีผู้ยึดเข้าไปเกี่ยวข้องสังขารก็กลายเป็นวิสังขาร สังขารกลายเป็นวิสังขาครคําว่าวิสังขารก็คือไม่มีสังขารปรุงแต่งไม่มีสองกับสิ่งเหล่าใดไม่มีสองกับสิ่งใดจิตผู้รู้ผู้เข้าถึงธรรมถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นเป็นเป็นเอกเป็นเอกโกเป็นผู้รู้อันเดียวเป็นผู้รู้อันเดียวโดดเดียวไม่มี2กับสิ่งใดในเมื่อไม่มีสองกับสิ่งใดแล้วก็คงที่ ขงที่ไม่เป็นอนัตตาไม่เป็นอนัตตาไม่เป็นอนัตตาเป็นอะไรเป็นอะไรท่านเขาไม่ว่าท่านท่านก็ท่านก็ไม่ว่าท่านว่าถึงความสุขถึงบรมสุขประมังสุ ข, ขังเนี่พอมาถึงตรง น, นี้มาถึงตอนนี้ก็คือถึงความสุขอย่างแท้จริงเป็นอุดมกติของพวกเราเป็นกุลบุตรสุดท้ายภายหลังที่พยายามจะตั้งใจดาเนิน เดินตามร่องรอยที่พระิเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเดินไปแล้วท่านประพฤติไปแล้วท่านปฏิบัติไปแล้วท่านผ่านไปแล้วท่านพ้นไปแล้วท่านวิมุตต์หลุดพ้นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจไปหมดแล้ววัฏฏะสงสารที่จะต้องมาเวียนไหวาตายเกิดก็จบอันนี้คือแนวแถวข้อประพฤติปฏิบัติที่พวกเราทั้งหลาย จะตั้ง อ, อกตั้งใจแล้วก็ก้าวไปประพฤติไปปฏิบัติไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเรี่ยวแรงของเราของท่านใครตั้งใจศึกษาพิจารณาไปเห็นโทษไปพิจารณาไปเห็นโทษไปพิจารณาไปเห็นโทษไ ป, ไ ป, ไปความบุชาพยายามความภาคความเพียรหากมันมีขึ้นเป็นเหตุให้เรากระตือรอ้อนกลัวทุกกลัวเบนกลัวภยัยในวัฏสงสารทีบตัวไป สามารถถีบตัวไปสามารถวิ่งโอกาสที่เราจะถึงหลักใจมันก็จะวิ่งไปได้เร็วมันก็จะถึงได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้คือวิธีการเราอยู่เป็นครว่าต์เร า, าก็สามารถทําได้เราเป็นบรรพชิตคือนักบวชเราก็สามารถทําไดนะ้เพราะคําว่าบรรพชิตบรรพชิตแนะปลว่าผู้ถือบวชแปลว่าผู้ถือบวชเป็นผู้ออกจากบ้านออกจากเรือนมาบวชโดยเฉพาะ อย่างวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการบวชนะการบวชการบวชหน้าการบวชหน้าก็คือบวชมาเป็นภาวะแห่งความเป็นพระอันนี้เป็นช่องเป็นช่องเป็นแนวเป็นแถวเป็นทางที่เราจะเล็ดลอดออกจากทุลีละอองออกจากบ้านออกจากเรือนออกจากบ้านออกจากเรือนก็มาอยู่แบบผู้ที่ถือถือเป็นบนรรพชิตนี่แหลบะบรรพชิต เป็นภิกษุเนี่แหละเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารมาเป็นพระอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยมาความเป็นอยู่ก็จะแตกตามออกไปบินทบาตขบฉันไม่ได้ไม่ได้มีธุรกิจใดๆเหล่าอื่นต้องบินทบาตปัจจัยสี่อาหารต้องบินทบาตจีวรตะก่อนก็ให้ชัดเป็นผ้าบางสกุล ยารักษาโรคนู่นชี้ไปที่น้ำมูดน้ำมูดน้าเน่าน้ามูด น, น่าที่อยู่หนูชี้ไปที่โคนไม้อันนี้คือผู้ถือบวชแล้วก็อาศัยคนอื่นเลี้ยงชีวิตอาศัยอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพพอได้ยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วก็ได้ศึกษางานการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นช่องเป็นแนวเป็นแถวเป็นทาง มีมาไปจำโลกตั้งแต่กับไหนกันไหนปวเรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำอยู่ในโลกแม้แต่สมัยพุทธ ก, กาลก็มีก่อนพระพุทธเจ้าของเราก็มีอ่าก็เป็นเป็นช่องเป็นแนวเป็นแถวที่ชาวโลกทั้งหลายจะได้ออกไปจากให้ไกลาจากทุลีละอองต่างๆเหล่านี้เช่นอย่างพวกฤาษีชีไพรก็ อ, ออกไปบวชไปบาเพญ็ญอยู่ในปา่านั่นแหละ เป็บำเพ็ญหาความสงบนะเพราะได้ความสงบแล้วก็ถือว่าได้ความสุขอานิสง์ของความสงบภายในใจมันก็ไปส่สงไปได้ไกลนะส่งไปไปได้ไกลมากกว่าอานิสง์ของการให้ทานอานิสง์ของการรักษาศีลอานิสงของการให้ทานอานิสง์ของการรักษาศีลก็ทําให้เราได้สวรรค์ได้สวรรค์แต่อานิสงขอการตั้งใจเภาวนาใจได้รับความสงบสูงเกินสวรรค์6ชั้นขึ้นไปอีก มีความสุขที่บริสุทธิ์อยู่ข้างบนนั่นนี่มันเป็นพื้นเป็นเพเป็นบาทเป็นฐานร่องใจเพราะฉะนั้นเราออกมาตรงนี้เป็นการออกมาถูกช่องถูกทางที่ปราดบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านดาเนินไปแล้วเราเอากายของเราออกมาห่างให้ห่างออกจากกามพอมาแล้วเราก็พยายามทำใจของเราว่าให้ห่างออกจากกามด้วย ใจจะห่างออกจากกามได้ยังไงใจจะห่างออกจากากามได้ต่อเมื่อเราสามารถกําหนดใจให้สงบได้พอใจเริ่มสงบใจมันก็ห่างกามแล้วมันไม่ไดิ้นรนไปอยากเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอิม่มเรื่องหิวเรื่องอะไรมันมันมันไม่ไปเกี่ยวข้องเพราะใจมันสงบใจมันไม่ไดิ้นรนใจมันไม่หิวไม่กระหายใจดวงนั้นก็เลยห่างออกจากกาม ใจห่างออกจากกามก็คือใจสงบนั่นแหละเมื่อใจสงบแล้วท่านก็ให้มาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญ า, เ, าเมื่อกเรามาขัดมาเกลวนั่นแหละมาขัดเข้าไปเกลเข้าไปเมื่อเราขัดกระจกให้มันใสขัดไปขัดไปขัดไปขัดไปขัดไ ป, ดไปจนมลทินมันหมดก็เหลือแต่กระจกเงาที่ใสสะอาดสามารถมองเห็นดีเห็ น, หนชั่วเห็นอะไรได้หมดมเดี๋ยวนี้ใจของเรามันหลงหลงไม่รู้<ม>ว่าอะไรเป็นดีอะไรเป็นชั่วว่าแต่ความอยาก ตา อ, อำนาจของกิเลสเกิดขึ้นยึดหมดอะไรเกิดขึ้นยึดหมดอะไรเกิดขึ้นยึดหมดไอ้ที่เรายึดเรายึดอ่ะ น, นะสิ่งที่ให้ผลคือความสุขบ้างแต่ว่าสิ่งที่ให้ผลคือความทุกข์น่นมากกว่าเพราะอํานาจของความอยากส่วนมากส่วมากร้อยทั้งร้อยเป็นไปนตา อ, อํานาจของกิเลส ท, ทั้งนั้นอยากในรักอยากในใคร่อยากในอิจฉาริษยาพยาบาทยา โลบอย่างไม่มีไม่มีที่สิ้นที่สุดเป็นไปนตามอำนาจของความอยากความอยานี่แหละเป็นเหตุเป็นต้นต่อเป็นตัวสมุทัยที่เราควรจะย้อนไปชําระไปขัดไปเปล่าให้สิ่งเหล่านี้เบาไปบางไปเบาไปบางไปเบาไปบางไ ป, งไ ป, งไปนี่พอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราก็มีช่องเราก็มีโอกาสทํากายของเราให้ออกจากกามทําใจของเราให้ออกจากกามพอใจออกจากกามแล้วก็เริ่มพิจารณา เริ่มพิจารณาถ้าท่านจะเทียบก็เมื่กาเทียบกับผู้ที่ต้องการไม้ต้องอาต้องการไฟจากการสีไม้ให้เกิดไฟเอาไม้ที่แห้งมาแล้วถ้าเอาไฟถ้าเอาไม้ที่เป็นไม้สดเอามาสีให้เกิดไฟมันก็เกิดไม่ได้ไม้ที่ไม่แช่ด้วยไม่แช่อยู่ในน้ําด้วยไม้ที่ไม่เป็นไม้สดที่ชุ่มด้วยยางด้วยเป็นไม้แห้งสนิทแล้วแล้วก็เอาไม้แห้งสนิทนั่นแหละมา มาสีกันให้เกิดไฟสีไปสีไปสีไปสีไปสีไปความเสียดสีนี่ทำให้เกิดความร้อนร้อนไปร้อนไปร้อนไปร้อนมากๆก็จะเป็นเหตุให้เกิดไฟได้แต่ในระหว่างที่เราสีให้เกิดไฟนี่แหละพอเราสีไปสีไปสีไฟมันเกิดความร้อนขึ้นมาบ้างเราก็หยุดพอเราหยุดความร้อนน้ำก็หมดไปด้วยหยุดนานเท่าไหร่ความร้อนก็หมดหายเกลี้ยงไปเลยอ่าเสร็จแล้วเรามาเริ่มถูใหม่ถูเอาให้เกิดไฟขึ้นใหม่ ก็เริ่มถูเริ่มถูเริ่มถูมันก็ร้อนร้อนร้อนยุดอีกความร้อนก็หมดไปเพราะฉะนั้นทําไงความร้อนถึงจะติดต่อเนื่องกันจนเป็นไฟขึ้นมาได้ท่านจึงให้ทําอย่างต่อเนื่องครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ทําหนักหน้าก็ไปเรื่อยขยับก็ไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปเรื่อยก็เมื่อเราสีไม้เกิดไฟเพราะมันเริ่มรู้สึกร้อนร้อนรขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยพอเริ่มร้อนเริ่มมีควันขึ้นมาบ้างมันใกล้จะติดแล้วขยับที่เย็บ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำถูกวิธีด้วยคาว่าทำถูกวิธีเช่นอย่างเขาสีไม้ให้เกิดไฟเขาจะขูดขุยละเอียดแล้วก็ทำรูเจาะเอาไว้ไอตัวข้างล่างเขาทำเป็นแหลมๆทำเป็นสันแหลมๆตั้งเอาไว้แล้วก็เอาไอตัวที่จะใส่ใส่ใส่เศษใส่ ละอองขี่ฝุ่นที่จะทําให้ไฟติดนะคูดให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไปตรงรูแล้วเอารูนั้นไปเกาะไปกาดตรงสรันแล้วก็ถูไปทูมาคูดไปขูดมาคูดไปขูดมาความร้อนมันก็ส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาก็จะมาติดขี่ฝุ่นที่เราขูดที่เป็นขีฝุ่นละเอียดแล้วก็มันมีทั้งเยื่อเชื้อไฟไอ้ที่เป็นส่วนละเอียดที่จะทําให้เกิดให้ติดเป็นไฟแดงๆขึ้นมาแล้วมีทั้งเชื้อหยาบที่เราจะอาศัยเป่าลงไปแล้วก็ ทำให้มันติดเป็นเชื้อไฟขึ้นมาได้นี่คือเป็นวิธีที่ทําให้ถูกเมื่อถูไปจนเกิดไฟขึ้นมาแล้วเราสามารถเป่าเอาปากเป่าแล้วก็เป็นเปลวไฟติดขึ้นมาได้ไฟใช้เนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นการบําเพ็ญข้างในของเราเช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกับเราสีไม้ให้เกิดไฟพอสีสีสีสีไปสีไปเริ่ม ร, ร้หยุดหยุดอ้ามันก็เย็นไปแล้วเริ่มเริ่มใหม่ก็เริ่มร้อน ที่ถูกต้องนั้นก็คือไฟก็คือไม้แห้งอยู่บนบกแล้วก็ทำถูกวิธีแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วหนักหน้าเข้าไปเรื่อยพอรู้ว่าใกล้จะติดขยบับขยบับขยบัขย บ, ขยบจนติดธรรมชาที่จะพึงเกิดขึ้นภายในใจก็คือเหมือนกับเราถูถูไม้ให้เกิดไฟนั่นแหละถููถู ถ, ถ, ถูเราต้องการให้ไฟติดปุ๊บพังขึ้นม า, ท, าทันทีเหมือนกัน ติดยังไม่ได้มันติดไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงที่ที่มันควรจะติดมันก็ติดไม่ได้ถูไปจนถึงขั้นที่ว่ามันมีมีโอกาสที่มันจะติดได้ร้อนจนจะติดได้ที่แรกคับไหมเป็นดำดำขึ้นมาพอมันเริ่มไหมเป็นดำดำเนี่ยแสดงว่าร้อนมากขึ้นมาแล้วจากนั้นแล้วพอมันร้อนมากมันสะสมเศษอันนั้นเศษไอ้ความขมเอดำดำมากๆแล้วพอเราเอาปากเป่าเข้าไปครับ ทีแรกมันกับแดงๆจากนั้นมาไอ้แดงๆมันก็เป็นประกายขึ้นมาติดเป็นเปลวไฟอ้าวสามารถอภิจุดนู้นได้อภิจุดนี้ได้ได้ไฟใช้ธรรมะในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้ายังไม่ถึงที่มันก็ไม่เกิดเราต้องการให้เกิดมันก็ไม่เกิดทําเท่าไหร่ก็ไม่เป็นทําเท่าไหร่ก็ไม่เป็นทํากี่วันก็ไม่เป็นทํากี่เดือนก็ไม่เป็นทํากี่ปีก็ไม่เป็นถ้าเราเอามาเทียบกับอุ ป, ปมา ท, ที่เราถูมาให้เกิดไฟเราก็หมดความสงสัย หมดความสงสัยว่าโอ้เพราะเหตุใดเราถึงทําไม่ได้เพราะเหตุใดเราถึงทําไม่เป็นอุปมาเหมือนเหมือนกับถูไม้เกิดไฟเหมือนกับถูไม้เกิดไฟดังนี้เองอันนี้คือการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังก็น้อมนาไปประพฤติปฏิบัติทําให้จิตเนื่งดวงตาถ้าให้ทํานืองทำให้ใจได้รับความสงบ สองเมื่อได้รับใจได้รับความสงบแล้วท่านให้พิจรารณาท่านให้พิจรารณาขัดใจให้ได้รับความสงบเหมือนกับเราขัดกระจกให้ได้รับความใสขึ้นมาพอกระจกเริ่มใสขึ้นมาเราก็ดูแล้วก็เห็นเงาเห็นหน้าเห็นตาของเราเราจะตกแต่งหน้าตาของเรายัางไงเราก็สามารถทำได้เพราะมันสามารถมองเห็นตัวเห็นตนของตัวเองนี่เป็นข้อเปรียบเทีบบยบปัญญาของเรา เหมือนกับกระจกเงาที่ใสสะอาดเพื่อที่จะส่อง ด, ดูตัวเองเมื่อเรามีปัญญาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวรู้ว่าผิดชอบชั่วดีที่สําคัญที่สุดรู้ข้อปฏิบัติที่ถูกรู้ข้อปฏิบัติที่ผิดที่เรียกว่ารู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีแล้วก็เลือกทําเอาแต่ในสิ่งที่ชอบเลือกประพฤติเอาแต่ในสิ่งที่ดีนี่ฉันใดก็ฉันนั้ น, นทําให้ใจสงบแล้วก็พิจารณาพิจารณา ทางด้านปัญญาก็ได้ปัญญาได้ความรอบรู้แล้วก็เป็นแล้วก็เกื้อกูลกับความสงบความสงบเกื้อกูลกับปัญญาปัญญาเกื้อกูลกับความสงบก็ทํางานอยู่อย่างนี้สลับกันไปอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องอันนี้คือวิธีปฏิบัติเพื่อย้อนไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาทับถมหัวใจของเราของท่านเสร็จแล้วเราก็เห็นข้อปฏิบัติเห็นวิธีการแก้ไขแล้วพิจารณาได้ใฝ่ใช้ ได้อัดได้ทำใช้มีคุณธรรมในหัวใจมีแล้วเราก็สบายเหมือนกับเรามีไฟสว่างส่องอะไรก็เห็นหมดส่องอะไรก็เห็นหมดที่สาคัญคือคือส่องเห็นสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามส่องเห็นสิ่งที่เป็นอสรพิษที่จะมาคอยรุมทำร้ายเราคาว่าทำร้ายเราก็คือทำให้ใจของเราได้รับความทุกข์อยู่เนือง ส่องเข้าไปขณะเห็นตัวสมุทรไทยแล้วก็ขัดเกลารตัวนั้นขัดเกลารตัวนี้ละตัวนั้นได้ปล่อยตัวนี้ได้นี่ความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาอมอาละพอสมควรก็เวลา